ขณะที่เราไปคิดเรื่องร้อนเรื่องนี้นะเรามีกายแต่เราลืมร่างกายไปเรามีใจเราก็ล <liberté S 1> ืมจิตใจตัวเองจิตใจจะสุขจิตใจจะทุกข์จิตใจจะดีจิตใจจะร้ายเรามองไม่เห็นแล้วงั้นเมื่อไหร่เราลืมตัวเองเมื่อไหร่ลืมตัวเองเมื่อนั้นจะไม่รู้กายรู้ใจเมื่อไหร่หลงไปคิดเราจะไม่รู้กายรู้ใจเราจะรู้แต่เรื่องที่คิดแม่ครูบาอาจารย์หลายองค์เลย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 ใจก็ยังไม่ตื่นหลับเออค่อยๆรู้สึกไปนะเวลาใจหนีไปคิดเ่อรู้ใจหนีไปคิดเรารู้ตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วเห็นไหมให้คอยรู้อย่างนี้นะค่ะครับพระพุทอ้าวเบอร์เจตื่นเต้นโอ้คนุกคนร้อนกราบน้ำรสักการหลวงพ่อครับเคยได้ไปส่งกันบ้านที่สุนทริติธรรมครับแล้วหลวงพ่อบอกว่ายังเพ่งอยู่แล้วให้ไปดูกายผมก็ไปดู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 นะรู้ลงปัจจุบันอย่างนี้ไม่ต้องไปค้นคว้าอาดีตละรู้ลงปัจจุบันไปเลย อ, อ้าวเบอร์เก้าเบอร์เก้าคุณคะกระดาบนามสการค่ ะ, ค ะ, รรคะได้มีโอกาสได้ส่งการบ้านกับหุ่งพ่อเมื่อเร็วๆนี้เองที่ศาลาลงชินนะคะก็ะนี้ก็ดออกวูว่าจิตเราไม่เหมือนเดิมค่ะดีขึ้นอยอะ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 ขอบุณมาเจ้ค่ะเอาให้เบอร์สิบแปดก่อนโลกนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้แหละโวรศัพท ก, การหลวงพ่อค่ะรู้สึกตกใจหลวงพ่ออยากสงสารเหนี <c oughs> ยวปวใจจะวายซะก่อนเอาว่าไปค่ะก็มีโอกาสได้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 แต่ถ้าร่างกายเราไปอยู่ที่ผาซ่อนแก้วเห็นมันสวยรู้ว่าสวยนี่<ฮ>ะนะถูกมแมลงมากัดตัวผู้พองขึ้นมาใจกังวลรู้ว่ากังวล <ฮะ S 1> นี่คอยดูใจของเราไปเรื่อยๆค่ะเบอร์สิบเจ็ดบอร์สิบเจ็ดดีใจเบอร์สิบเจ็ดกับนามัส ก, การครับคือผมอยากถามจลิตของผมนะครับในการทำสมถะ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 นึกออกไหมกออกมันถลําไปดูดูห่างๆอย่าถลําลงไปนี่เนี่ยถลําอย่างเนี้ยขณะเนี้ยจิตถลําลงไปเนีย่ยลงไปอีกแล้วรู้สึกไหมอย่างนี้ไม่เอานะถ้าจิตถลําให้รู้ว่าจิตถลําลงไปให้รู้ทันจิตตัวเองโดยคือถ้าเกิดทําให้มันตั้งมั่นมานี่ไม่อย่าไปทำไม่ได้มันตั้งของมันเองต้องดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆดู<ป>ดูความไม่ตั้งมั่นไปถ้าเราเห็นจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะ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 ทีแรกนานๆนจะรู้ทีหนึ่งค่อยฝึกไปต่อไปมันจะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่างนี้จิตนี้ไปคิดอีกแล้วทราบไหมทราบเค่ะเนี่ยจิตนี้ไปคิดแล้วก็ค่อยรู้หนี่ไปคิดแล้วก็รู้ฝึก อ, อย่างนี้นะต่อไปสุติจะเร็วมากเลยเจ้ค่ะเอาไปเบอร์สิบแปดนรัสการุปนชัยเน่ย เ, เ, เ, เบอร์อะไรล่ะเอาเบอร์สิบเบอร์สิเบอร์สิบเขากลุ้มใจอย่าแย่แล้วแทบจะลุกขึ้นประท้วงแล้วกล่าวนรัสกาหลวงพ่อค่ะ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 ไปดูเอานะค่อยๆดูเอาเวลาที่เราปฏิบัติส่วนใหญ่ไปเพ่งถ้าไม่เผลอก็เพ่งมีอยู่เท่านั้นเองไม่ค่อยยอมรู้หรอกไปฝึกเอาอ่าต่อไปกับนรมาส ก, การพระอาจารย์ค่ะคือปกติแล้วจะเผลอเ้วก็บางทีไม่ค่อยรู้ตัวค่ะถ้าเผลอก็ไม่รู้ตัวถูกละวจะเผลอนานแล้วก็บางทีเผลอเราก็คิดไปแบบเรื่องที่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 รู้อย่างหนึ่งว่าได้ทำบ้างแต่ว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยจะเห็นอะไรชัดเจนของโยมนะรู้ร่างกายไปนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะใจเราเป็นคนดูไปเรื่อยๆเหมือนเราเห็นคนอื่นกำลังเดินือคนอื่นกำลังนั่งนะดูกายบ่อยๆเดี๋ยวจะเห็นจิตชัดขึ้นทีหลังแล้วตอนตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแบบแบบที่สองที่ท่านอาจารย์พูดใช่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 ทางน้องก็ยกเร็วกว่ามีสองคนกลับในวัการหลวงพ่อค่ะกันหนึ่งนะโยมซีกนี้รู้สึกไหมใจเราลอยมาฟากนี้รู้สึกไหมส่วนใหญ่นะใจให้มันอยู่ตรงนี้ให้เรารู้ทันนะแต่บางคนหนีออกนอกธรรมศาสตร์ไปแล้ว <c oughs> อ้าวว่าไปค่ะมีคําถามจะถามหลวงพ่อค่ะว่าการภาวนาก็คือการตามรู้ตาําตามรู้กายและก็ใจในปัจจุบันใช่ไหมคะใช่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 ขอพระอาจารย์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทิดยถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวาอิโตดินังเปตานังอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังขิ ป, ปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถ า, ามณีโชติรโาโสยถา สพีติโยวิวัตชันตูสภาโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาศิริสนิจังุทธาปัจจายโนจัตตาโรธรมมวทันตีอายุวันโนสุขขังพระลังหัดนะภาวนาไปฟังซีดีหลวงพ่อเพิ่มนะค่อยๆฟังไป